ที่มองเข้ามามีแต่คนอิจฉาที่ฉันได้ครองหัวใจของเธอไว้แต่ฉันยังคงไม่มั่นใจรู้แค่เพียงว่าเธอสำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมให้ใครมาแย่งไปขอให้ฉันได้เก็บไว้คนเดียว จึงเปล่าคาถาเพื่อให้เธอลองไล่ให้ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งคล้จะขอความรักฉันมาผูกไว้ให้ในหัวใจเธอมีแต่ มาที่ฉันคนเดียวเจอได้ไหมไม่อยากให้เธอลงรักใครนอกจากฉันฉันคงได้แต่เผาวัา น, น เธอลงไล่ให้ทองที่แบกหน้าฉันทำให้เธอคลังไคล้ฉันขอความรักฉันมาผูกไว้ให้ในหัวใจเธอมีแต่ มองมาที่ฉันคนเดียวเธอได้ไหมไม่อยากให้เธอลองรับใคร I'm s o r y o r